ต้องฝึกรวดเร็วว่องไวอย่าให้เฉม 6. เราบวดมาเป็นพระต้องฝึกรวดเร็วว่องไวคล่องแคล่วอย่าให้เฉมอันไหนดีรีบทำอันไหนไม่ดีรีบหยุดเห็นคนอื่นเขาทาดีก็ให้รีบทำอย่าเป็นคนขี้เกียจขี้คร้านถ้ายังมีความขี้เกียจขี้คร้านอยู่นั่นไม่ใช่อารมณ์ของพระเพราะพระจะไม่มีความขี้เกียจขี้คร้าน ถ้าเรามัวแต่จเจริญสติจเจริญสมาธิอย่างเดียวมันจะเชื่องช้าเฉิมติดสงบติดช้าติดนั่งหลับแต่พอเรามาทำอะไรรวดเร็วคล่องแคล่วแล้วจะฟุ้งซ่านถ้าทำช้าช้าเฉิมเิมมันจะสงบดีนักปฏิบัติใหม่เลยเข้าใจว่าทำอะไรช้าช้าเฉิมเมดีทำช้าก็ให้มันได้ทำเร็วก็ให้มันได้ครูบาอาจารย์สอนให้ทุกคนรวดเร็วว่องไว ฉะฉานมองอะไรให้มันเข้าใจได้เร็วมันจะได้แยกแยะอะไรผิดอะไรถูกได้รวดเร็วการปฏิบัติอยู่ที่ไหนก็ทำได้คนส่วนมากไปโทษสิ่งภายนอกให้คุณสิ่งภายนอกที่แท้จริงมันอยู่ที่ตัวเราเพราะว่าศาสนาคือภาคปฏิบัติปฏิบัติทางกายทางวาจาทางใจเรา